ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องเข้าใจให้ถึงจริงโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่หมกราคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เอใจเราตอนนี้กลุ่มใจมากจะทำอย่างไรให้ใคลายใจนะนี่ข้อที่หนึ่งนะอเอาทีละข้อแล้วกันพอสองข้อถามมา2ข้อซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็แรกจริงๆคำถามประเภทนี้นะจริงๆเราจะต้องคุยกันจะต้องรู้รายละเอียดว่า เนี่ยพ่อแม่ไม่เข้าใจเราคือไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเราจะตอบแบบชนิดที่เรียกว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเราเนี่ยมันต้องแยกว่าเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กก่อนจะต้องแยกเป็นลักษณะใหญ่ๆอย่างนี้เพราะโดยสัจจะโดยความเป็นจริงเนี่ยนะไม่ต้องพ่อแม่หรอกบางทีเนี่ยตัวเราเองมันยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลย ในบางเรื่องอะถูกไหมเออในบางเรื่องในบางอย่างระนับภาษาอะไรกับคนอื่นซึ่งจะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราทุกเรื่องไม่มีทางนี่ไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความเป็นจริงที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราได้ทุกเรื่องเพราะถ้าใครเนี่ยพยายามศึกษาธรรมะโดยเฉพาะาศาสนาพุทธพยายามที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงความเป็นจริง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจรี์เนี่ยนะคือคือความเป็นจริงของชีวิตนะอย่างนะท่านก็ตรัสรู้ความเป็นจริงของชีวิตมันเหมือนกันอันเนี้ยถ้าบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราเนี่ยนะโอ้โหสารพัดเลยเรื่องอะไรบ้างละเป็นไปได้เยอะแยะแต่จะมาตัดรอบละไม่ต้องรู้รายละเอียดก็ได้แต่อยากจะเนี่ยแนะนเราวิธีคิด เพราะอาตมาเนี่ยเห็นอยู่เสมอเลยว่าถ้าคนเราเนี่ยนะหัดคิดให้เข้าถึงความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงได้แล้วก็หัดอยู่กับความเป็นจริงได้แล้วเนี่ยนะคนนั้นจะไม่ทุกข์อะไรมากหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทุกข์เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี้ยเราคิดอยู่ว่าคนโน้นไม่เข้าใจเราคนนี้ไม่เข้าใจเราหรือพ่อแม่ไม่เข้าใจเราแล้วเราก็เริ่มคิดยางไง ท่านน่าจะเข้าใจเราอย่างนั้นอย่างยี่สิคนนอนคนนี้น่าจะเข้าใจเราอย่างยี่สิคือคือคือเราเริ่มคิดอะไรที่มันเรียกว่าให้เป็นไปนอย่างใจเราอะโดยที่เราไม่ได้คิดตามความเป็นจริงแต่เราจะคิดตามใจเราซึ่งถ้าใครคิดตามใจเราเนี่ยคนนั้นจะต้องทุกข์แล้วก็จะต้องลำบากอยู่บ่อยๆลำบากใจเนี่ยนะของตัวเองเยอยู่บ่อยๆเพราะ ความเป็นจริงของชีวิตไม่มีใครหรอกที่จะสมใจหรือจะเป็นไปได้ดั่งใจเราเสมอๆ เ, เนี่ยไม่มีทางยืนยันได้เลยและในความเป็นจริงเนี่ยอาจมาให้ให้ให้ไปสังเกตดูนะความจริงของชีวิตคนเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านไปผ่านไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งไปนอนอีกครั้งหนึง่งนะ ในวันหนึ่งในวันหนึ่งที่ผ่านคุณไปสังเกตดูว่าชีวิตจริงๆของคุณในแต่ละวันคุณสมหวังเป็นไปดังใจคุณเนี่ยสักกี่เรื่องในชีวิตคุณไล่ไปเลยไล่ไปก็ได้เอาตั้งแต่เรื่องกินก็ได้เอาเริ่มเลยนะเรื่องกินก็ได้ในมื้อนึงมื้อหนึงในแต่ละวันเนี่ยใครก็ตามที่ได้กินอะไรบ้างก็แล้วแต่คุณได้กินสมใจคุณเนี่ยมีสักกี่อย่าง ท, ที่สมใจคุณเ อ, เอาจากของกินก่อนหรือเสื้อผ้าก็ได้เอาเสื้อผ้าที่คุณใส่คุณได้ใส่เสื้อผ้าที่คุณสมใจคุณเนี่ยเปิดตู้มาหรือว่าที่เรามีอยู่หลายชุดเนี่ยสมใจคุณมีสักกี่ชุดในที่คุณมีอยู่หลายชุดที่ถูกใจเรานะที่เราชอบคุณไปพิจารณาเถอะอะไรของอื่นอีกก็ได้ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน คุณลองไปพิจารณาดูคุณจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่นะไม่ได้ไปถูกใจไม่ได้เหมาะใจเรานักหรอกแต่บางทีนี่เออพอใช้ได้พอกินได้ไ อ, อ, อ, อ, อ, อชุดอย่างนี้ก็พอใส่ได้ไม่ได้ถึงกับถูกใจเราไม่ได้ถึงกับสมใจเราแต่ใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปซึ่งจะให้เห็นเลยความเป็นจริงของชีวิตคนเราจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ค่อยได้เป็นไปดังใจเราหรอกแต่ที่ทำให้คนเราทุกข์อยู่บ่อยๆเพราะคนเราเนี่ยในแต่ละวันชอบคิดอะไรที่อยากให้เป็นไปดังใจเราและตัวนี้เป็นตัวปัญหาแรกเลยที่ทำให้คนเรามักจะต้องเจอความทุกข์อยู่บ่อยๆเพราะบอกแล้วว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจเรามากกว่าถูกไมในในชีวิตจริง แต่เวลาเราคิดเนี่ยเราคิดไอ้นนก็อยากให้เป็นใบดังใจไอ้นี่ก็อยากให้เป็นใบดังใจแต่คุณจะต้องไปเจอสิ่งที่ไม่เป็นใบดังใจคุณมากกว่าเงี้ยแล้วเราก็ไปสร้างไว้ใช่ไหมเราไปสร้างภาพไวเออไอ้นี่ควรเป็นอย่างงั้นสิไอ้นนควรเป็นอย่างนี้สิแต่คุณจะไปเจอสิ่งที่ไม่สมหวังนะเพราะฉะนั้นคุณจะผิดหวังได้บ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นประเด็นแรกเลยถ้าใครเนี่ยเข้าใจ สัจธรรมของชีวิตตรงนี้ได้เนี่ยจะตรงข้ามแล้วคราวนี้คนนี้จะไม่ไปคิดหรือไม่ไปสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่จะต้องจะต้องให้ให้ถูกใจเราหรือจะต้องให้เป็นไปดั่งใจเราแล้วคนนี้จะมองอะไรตามความเป็นจริงแล้วจะอยู่กับความเป็นจริงให้มากมากกว่าที่ให้อยากเป็นไม่ต้องอื่นไกลนะแค่บางทีเนี่ยเราตื่นมาในตอนเช้าเนี่ย บางคนนะตั้งแต่ก่อนนอนแล้วนะกะว่าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยจ ะ, จ, จะเจอไอ้โนดจะเจอไอ้นี่เจอไอ้นะั่นนะนะเรียกว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าอยากจะเจอไอ้นัน่นอยากจะเจอไอ้นี่เลยบางทีคาดหวังไว้ก่อนเลยแต่พอตื่นมาบางทีเอามันไม่เป็นมนมันไม่เป็นไปอย่างนั้นอะ่ะเพราะถ้าใครไปสร้างอันนี้เขาเรียกว่าสร้างตัวอัตตาหรือสร้างอุปทานอันนี้ เอาไว้ในจิตไว้ก่อนแล้วอัตนนมาบอกแล้วว่าโอกาสเนี่ยน้อยถ้าพูดเหมือนเลื่อนเรื่องเล่นหวยอ่ะนั่มันมีน้อยประตูมากเลยที่จะให้คุณถูกหวยแต่โอ้โหเป็นกี่สิบกี่ร้อยประตูไม่รู้ที่คุณจะแทงแล้วไม่ถูกอ่ะแต่คนเราเนี่ยมีกิเลสว่าเออไอ้น้อยประตูนั่นแนหะก็ยังหวังว่าจะถูกแล้วก็เลยเล่นหวยอยู่นั่นแหละเพราะหวังว่าจะถูก แล้วก็คิดจริงๆนะในใจตัวเองคิดจริงจริงว่าแหมสมมุติว่าเป็นลอตเตอรี่ก็คิดว่าใบนี้น่าจะถูกแหละก็ซื้อหรือคนเล่นหวยใต้ดินนี่ยหวยเทือนน่นะก็แบบว่าแทงตัวนี้แหละกะว่าน่าจะถูกทั้งทั้ที่ไอ้ที่แทงไปเนี่ยนะหนึ่งในเท่าไหร่ไม่รู้ <laughs> หนึ่งในกี่ประตูที่จะถูกเนี่ยโอ้โหความหวังเลือนรางมากเลยน้อยมาก แต่คนเราก็หวังว่าจะถูกเสร็จแล้วพอแทงไปจริงๆเนี่ยบอกแล้วส่วนใหญ่ถูกกินมากกว่าถูกหวยแต่ก็ยังจะเล่นอยู่อย่างนั้นะ่ะเพราะอะไรเพราะติดอันเนี้ยติดติดการที่เราเนี่ยอยากจะมีอยากจะเป็นหรืออยากจะสร้างอะไรไว้ในในมโนภาพหรือว่าในอารมณ์จิตของเราที่อยากจะเป็นไอ้นีไน่ไอ้นัน่นอยากได้ อยากมีต่างๆนานาเพราะมันชอบสร้างอุปทานพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็หวังว่าจะให้ได้อย่างนี้เพราะคนเราส่วนใหญ่ที่ทุกขอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะไปสร้างแบบเนี้ไว้ทั้งๆที่ความเป็นจริงบอกแล้วว่าประตูที่มันจะถูกแล้วจะได้อันเนี้ยน้อยมากๆเพราะคนถึงพบกับความผิดหวังอยู่บ่อยๆแล้วก็มากๆากเราะถ้าเราเนี่ยเข้าใจสัจจะพวกนี้ได้ จะไม่ไปสร้างพวกนี้ไว้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงมักจะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันธรรมคำว่าปัจจุบันธรรมหมายถึงว่าอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยแหละมองมองอะไรก็มองตามความเป็นจริงที่เราพบเราเจอไม่ต้องไปสร้างอะไรไว้ล่วงหน้าณนะปัจจุบันนี้มีอะไรเป็นยังไงท่านก็ให้ยินดีพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นเฉพาะหน้านั้น ไม่ต้องไปสร้างอะไรไว้ข้างหน้าไกลๆเพราะบอกแล้วว่ายิ่งถ้าเราไม่เรามันระวังเนี่ยชอบสร้างอะไรที่มันไกลเกินเอื้อมเลยนะเอื้อมไม่ค่อยถึงอะ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยถ้าเรียนหนังสืออยู่ก็อยากโอ้โหอยากเรียนให้เก่งอยากได้เกรดดีๆหรืออยากติดมหาวิทยาลัยสมมตินะหรืออยากได้ที่หนึ่งคือคือคื อ, คอเราจะสร้างพวกเนี้ย ถ้ามาปฏิบัติธรรมก็หวังว่านะอย่างน้อยน้อยเราก็โสดาบันหรือไม่ก็สกิตารามีหรืออะไรมันก็ต้องมีอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยทําเท่าไหร่ทาเท่าไหร่รู้สึกเอ็มันไม่ถึงสักทีเดินเท่าไหร่เดินเท่าไหร่ ไ, หรไม่ถึงสักทีคุณเริ่มเขียวลงเรื่อยกุ้มเริ่มเขียวลงเรื่อยเพราะอันนี้แหละวันจริงนะถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็คงจะถึงสักวันหนึ่งแต่ เราก็ไม่ต้องไปอะไรอ่ะอยากมีอยากเป็นอะไรจนมากเกินไปอันเนี้ยถ้าเป็นภาษาทางพระเนี่ยนะพุทเจาท่าจะใช้กิเลสตัวเนี้ยว่าเป็นกิเลสที่เรียกว่าอภิชฌาคือตัณหามันล้าหน้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยอันเนี้ยแปลเป็นภาษาไทยตัณหานี่ก็คือความทยานอยากนั่นเอง อยากได้อยากมีอยากเป็นมันล้าหน้ามันมันเกินความเป็นจริงมันไกลเกินไปเพราะนั้นคุณหวังยังไงเนี่ยมันมันก็ยังจับไม่ติดยังเอื้อมไม่ถึงอยู่ดีเพราะนั้นท่านถึงให้อยู่กับเฉพาะหน้านี้เพราะว่าอะไรเฉพาะหน้านี้มันเห็นได้มันหยิบจับได้มันใกล้มือเราเพราะนั้นคนที่จะไม่ค่อยผิดหวังโอกาสที่ผิดหวังจะน้อย แล้วก็อยู่กับของจริงด้วยไม่ใช่อยู่กับความเพ้อฝันอยู่กับการที่เราคิดอะไรไปไกลๆเพราะคนนี้จะผิดหวังหรือจะอกหักอกพังน้อยมากเลยก็ก็ยังจะมีแต่ว่าน้อยต่างจากคนที่หวังอะไรไปข้างหน้ามากๆแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยถ้าใครยิ่งไม่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะคิดไปตามความอยากมีอยากเป็นอยากได้ที่เราอยากจะคิด อย่างอย่างเงี้ยสมมตินะคุณชัยวัดอย่างเช่นถ้าถ้าเราคิดเนี่ยพ่อแม่ไม่เข้าใจเราในขณะที่เราคิดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอยากให้ท่านเข้าใจเราอย่างนั้นอย่างงี้ใช่ไหมเราจะคิดใช่ไหมคือเราจะหวังไว้เลยว่าเออท่านน่าจะรู้นะว่าเราเนี่ยเอาสมมติสมมตินะสมมติอตาตมาไม่รู้หรอกเพราะว่าจริงๆเขาคิดยังไงแต่พูดไปตามสภาวะที่เรียกว่าคนเราเนี่ย ยังอาตมาเองเนี่ยเคยก็เคยเล่าให้พวกเราฟังเหมือนกันอ่ะเคยตอนเด็กๆ เ, เคยอยากจะหนีออกจากบ้านเหมือนกันเพราะมีความรู้สึกว่าเนี่ยพ่อไม่เข้าใจเราเลยนะโดนดุโดนว่าโดนเขกอหัว <c oughs> เจ็บนะรู้สึกว่าโอ้โหแมเราก็ช่วยทำงานแล้วก็ ไอ you ้นั่นไอ้นี่อยู่แล้วนะทําไมยังอย่างงี้เราอีกรู้สึกว่าไม่เข้าใจเราเลยความไม่ชอบใจความโกรธนัในละความที่เราหวังว่าท่านน่าจะเข้าใจเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันเริ <num far é estaba> ่มปรุงมาเรื่อยปรุงเรื่อยเพราะเราเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันจะปรุงไปเรื่อยละปรุงไปยังแง่ที่ว่าทําไมทําไม่เข้าใจเราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็คิดไปของเราอยู่คนเดียวนะเราก็คิดไปเรื่อยแล้วคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยยิ่งคิดมากเท่าไหร่เนี่ย ความรู้สึกที่ท่านไม่เข้าใจเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราคิดในแง่ว่าท่านไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากท่านมากขึ้นไปเรื่อยๆแค่ความคิดเนี่ยนะเราไปทําให้มันเหมือนมีกําแพงมันเหมือนมีอะไรที่จะยิ่งมากันในขณะที่เราบอกว่าท่านไม่เข้าใจเราเนี่ย ถ้าปูดเป็นมุมกลับนะก็แสดงว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยนะตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกไหมถ้าเราบอกว่าท่านไม่เข้าใจเราเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เข้าใจท่านเหมือนกันเพราะถ้าเราเข้าใจท่านปัญหานี่จะเกิดไหมต่อให้เราโดนดุโดนว่าด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจท่านจะมีปัญหาม ไม่มีปัญหาหรอกต่อให้โดนโดนว่ายัางไงก็เพราะเราเข้าใจอะว่าท่านอาจจะรักเราเกินไปหรือบางทีท่านมีประสบการณ์ชีวิตที่ที่แบบว่าอะไรอะเป็นห่วงนะหรือว่ากังวลหรือกลัวเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเคยบางทีทุกข์ยากลําบากมาก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างโยมพ่ อ, อตามาเนี่ยแต่ก่อนนี่เคย ลำบากมากเงี้ยเคยแทบจะไม่มีอะไรจะกินนะข้าวข้าวก็ไม่มีจะกินนันต้องไปขุดมันขุดอะไรพวกนี้กินแทนข้าวแทนอาหารใช่ไหมเสร็จแล้วพอตอนหลังมาเงี้ยตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ไม่ยอมกินมันอีกเลยนะเพราะบอกถ้ากินแล้วมันจะนึกถึง ของเก่ารู้สึกโอ้โหถึงความยากลําบากไม่อยากไม่อยากจะนึกไม่อยากจะเจอไอตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็โอ้ไอทาไมอ่ะก็ไม่เห็นจะอะไรเลยเนี่ยมันก็อร่อยดีนะ <c oughs> กินแล้วก็อร่อยดีจนตอนหลังเนี่ย โ, โยแม่มาเล่าให้ฟังถึงได้รู้ว่าอ๋อเพราะท่านมีประสบการณ์ชีวิตลําบากมาอย่างนี้ดูนะคราวนี้ท่านจะว่าเราท่านจะ ไอ้น oh ี้กับเราเนี่ยโอ้โหพอเรารู้ว่าเออท่านลําบากท่านเคยอย่างนี้อย่างนี้มาพอเราเข้าใจท่านได้เนี่ยมันทําให้เรานี่เห็นใจหรือว่าบางทีเราสงสารด้วยซ้ำไปเข้าใจอะว่าเออเอเอที่บางทีท่านโกรธเราหรือบางทีท่านดุดดาว่าเราเนี่อ๋อเพราะท่านมีประสบการณ์อย่างนี้มาแต่เราเนี่ยเราไม่โดนอย่างท่านหรอกนะ แต่ท่านยังบางทีท่านยังคิดอยู่ในอะไรอะ่ะพบเก่าๆพบเดิมๆนาความกลัวความห่วงความกังวลบางทีก็เล่นงานเราอะ่ะเพราะไม่อยากให้เราไปเป็นอย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจได้เนี่ยนะแม้ว่าจะเราจะโดนท่านอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ไม่ไปโกรธเคืองและไม่ไปถือสาแล้วก็หาวิธีการอื่นที่จะแก้ไขว่าเออจะทายังไงให้ท่านเนี่ย อะไรอ่ะไม่ไม่คิดอย่างนี้กับเรานั่นก็จะหาวิธีการอัญชันฉลาดที่จะทําให้ท่านเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเข้าใจเราได้ว่าอายุการมันเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเดิมอะไรต่ออะไรพรงนี้ซึ่งอันเนี้ยอธมาถึงบอกถ้าในมุมกลับนะตอนนี้ถ้าเราบอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่นี่ยากนะ ถามาเคยเหมือนกันเ่ก็ยังนึกอยู่ในใจเลยโยมพ่อเนี่ยโยมแม่เนี่ยก็ลำบากม า, าเสร็จแล้วก็โอ้โหกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยคนลำบากมาแล้วก็สร้างสร้างอะไรอะ่ะสร้างฐานะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยรอดพ้นความลำบากมาแล้วแล้วก็เริ่มมีอยู่มีกินขึ้นมาได้เนี่ย คนที่ลาบากมาจนถึงขนาดนี้แล้วสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้จนจนเรียกว่าสบายขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยในความเชื่อมั่นหรือในความสามารถของตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ยิ่งจะต้องมีอันเนี้ยมากกว่าเราโดยซ้าไปเพราะว่าโอ้โหได้นลนปากกาตีนถีบจนกระทั่งมีผลสำเร็จขึ้นมาขนาดนี้แต่จริงๆเราเนี่ยบางที สบายกว่าเราก็ไม่ลําบากเท่าเราไม่ต้องดิ้นรนเท่าด้วยซ้ําไปความเหน็ดเหนื่อยความที่จะต้องเหนื่อยยากอะไรก็ไม่เท่าจริงๆถ้าจะว่าไปเราอ่อนแอกว่าด้วยซ้ําถ้าเราไปเจออย่างท่านเราอาจจะทนไม่ไหวนะแต่เออที่ท่านเจอมาท่านสามารถเอาตัวรอดนะมีลูกเต้าจนกระทั่งเลี้ยงมาจนเติบโตขึ้นมาได้อันเนี้ยอาจจมาถึงบอกว่าเออถ้าเราเนี่ย เข้าใจตรงนี้ได้นะอาตมาถึงบอกว่าแม้ท่านไม่เข้าใจเราแต่เราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะจบได้เหมือนกันตรงนี้นะอันนี้ตรงนี้อาตมาฝากแง่คิดตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้นะเนี่ยจากคําถามที่บอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราตอนนี้กลุ้มใจนะจะทํำยังไงให้ใคลายใจคําถามไม่อยู่เท่านี้เพราะอาตมาบอกว่า เพียงแค่ถ้าเราเข้าใจท่านเท่านั้นเองเราเราจะหายกลุ่มแล้วเราก็จะคลายใจได้ยิ่งถ้าคราวนี้นะพูดถึงยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของบุญคุณยิ่งพูดถึงเรื่องความเป็นผู้ให้กำเนิดนะยิ่งพูดถึงเรื่องที่ว่าโอ้โหเคยเลี้ยงดูเรามาเนี่ยถ้าคุณยิ่งนึกสิ่งเหล่านี้ไปนะโอ้เราไม่มีสิทธิ์อะไรเลย ที่จะไปโกรธหรือว่าจะไปเกลียดชังพ่อแม่หมดสิทธ์เลยนะไม่ต้องเป็นพ่อแม่ก็ได้แม้เป็นเพียงแค่ผู้เลี้ยงดูเรามาจนโตเนี่ยเรายังไม่มีสิทธิ์โกรธเลยทำไมถึงใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์ไปโกรธไปเกลียดชังหรือว่าไปว่ากล่าวไปอะไรอะทร้ายหรือว่าอะไรทาไมถึงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เพราะ บุญคุณที่ท่านมีให้กับเรามาเนี่ยโอ้มันเยอะแยะมันมากมายมันล้นเหลือเหลือเกินจนเราไม่มีสิทธิ์เลยจริงๆเพราะอะไรเพราะพอเราคิดถึงบุญคุณที่ท่านทำให้เรามามากกว่ามากกว่าที่ที่เราเนี่ยเอาโดนตีบ้างหรือเราโดนดุด่าบ้าว่าบ้างเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าที่ท่านทำดีกับเรา ทำดีกับเรานี่มากกว่าถ้าเป็นตาช่างแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำหนักข้างที่ท่านทำดีกับเราช่วยเหลือเรามานี่โอ้โหมันกองไปภูเขาเลยน้าหนักแต่อที่บางทีเล่นงานเราบ้างตีเราบ้างทั้งทั้งที่บางทีสอนเรานะแต่เอาละถือว่าในแง่ที่เรียกว่าโดนดุโดนด่ดนดาบ้างโดนตีบ้างเนี่ยเรามาวัดดูแล้วยังไงก็น้อยกว่าภูเขา ของความดีที่ท่านทำมามันเทียบกันยังไม่ติดเลยวันพอเราคิดในแง่พวกนี้ขึ้นมาเนี่ย น, นก็จะทำให้โกรธไม่ลงอ่ะยิ่งพ อ, ค, อคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยในทางในทางกุศลนี่นะคุณคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคุณยิ่งจะกลัวจะยิ่งไม่กล้าโกรธเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวโกรธไปแล้วเราจะบาปนะมีหลายคนเลยที่ไม่กล้าโกรธ เพราะรู้ว่าจริงๆนะ่ะแม้แค่เราโกรธแม้แค่เราเกลียดพ่อแม่นี่ก็เป็นบาปแล้วโดยสัยจจะก็เป็นบาปจริงๆเพราะยิ่งต้าคนศึกษาธรรมะแล้รู้ถึงตรงนี้นะจะไม่กล้าเลยจะกลัวโดวยซ้ำไปจะมีฮิริและโอตปะปลาจะกลัวเพราะเรารู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นความคิดที่ไม่ดีลว เป็นความคิดที่เลว้ายละแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะนำเราจะบอกกล่าวหรือแม่แต่บางทีเราจะบอกสอนพ่อแม่ไม่ได้ไม่ใช่นะสามารถทำได้เพียงแต่ว่าไม่ไปมีอารมณ์กโกรธหรือว่าไม่มีอารมณ์เกียดชังหรือว่าน้อยใจหรือว่าเสียใจละที่ทำไมท่านถึงได้ไม่เข้าใจเรา อารมณ์พวกนั้นมันจะหมดไปมันจะลดลงไป น, นันี่นี่ประเด็นนี้นี่พูดพูดให้ฟังพอที่จะให้เราเข้าใจได้ทั้งทั้งที่อาดามาบอกแล้วนะยิ่งตั้งแต่อย่างแรกเลยที่บอกว่าจะให้คนอื่นเข้าใจเรานี่ยากมากเลยเพราะฉั้นอย่ารอให้คนอื่นเข้าใจเราจําคํานี้ดีๆอย่ารอให้คนอื่นเข้าใจเรา คนฉลาดจะไม่รอให้คนอื่นเข้าใจเราเพราะมันทําให้เราเราเราคลายทุกเราหรือคลายใจเราเนี่ยได้ยากเพราะเราจะหมดทุกได้เราจะคลายทุกได้เราจะรอต่อเมื่อเขาเข้าใจเราเลยแล้วเราถึงจะหายทุกนี้ได้โอ้โหบางคนอาจจะต้องรอทั้งชาติเลยนะหรืออาจจะต้องรอตลอดชีวิตนะเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเลยก็ได้ตลอดชีวิต ใช่ไหมเพราะเรื่องอะไรอะถ้าเราฉลาดเราไม่รอหรอกเพราะเราอยากจะพ้นทุกวเวไอยแล้ไม่อยากเก็บสะสมทุกเอาไว้เพราะวิธีแก้ที่เร็วที่สุดก็คือรีบเข้าใจคนอื่นให้ไวที่สุดน้นเราเนี่ยเรารีบเข้าใจพ่อแม่รีบเข้าใจพี่น้องรีบเข้าใจเพื่อนฝูงรีบเข้าใจแม้แต่คนเลวคนชั่วถ้าคุณเข้าใจนะ ก็นี่มันคนเร็วนี่มันคนชั่วถ้าคุณเข้าใจคนเร็วคนชั่วได้คุณก็ไม่ไปกลัวไม่ไปเกลียดชังหรอกนะแม้คนเร็วคนชั่วอย่างเช่นคุณเกิดไปเจอคนเมาอเงี้ยคนเมาบางคนเงียบก็มีบางคนเอะอะโวยวายก็มีพอคุณไปเจอเขา้าคุณก็รู้แล้ววโอ้โหไอ้นี่มันเมานะมันก็ต้องมีอาการอย่างเงี้ยแหละนะมันขาดสติมันก็บ้าๆบอๆก็ต้องทอํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ คุณจะไม่ไปโกรธนะคุณจะไม่แค้นใจคุณจะไม่ไปเกลียดชังหรอกแต่เรามัดระวังใช่เราก็ต้องเรามัดระวังตัวเราหรือจะหาวิธีแก้ไข ย, ยังไงห่างๆคนนี้หรือบางทีเอาไอ้ดีมันเมามันจะอาระวาดแล้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าของเสียหายต้องหาคนมาช่วยกันจับหรือบางทีโอ้แก่ยากแก่ลาบาก็เรียกตํารวจเอามาจัดการไปซะเราก็จะทําแต่ ไม่ได้โกรธนะไม่ได้เกลนะเกียดชังไอ้คนนี้นะเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจคนเมา <c oughs> คุณฟังให้ดีอ้อนวิธีแก้หรือคลายใจเราที่เร็วที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วถึงต้นเหตุที่สุดก็คือแก้ที่ใจเราเองพยายามทําความเข้าใจรู้สัจจาของชีวิตรู้สัจจาความเป็นจริงให้มากที่สุดแล้วคนนั้นแหละจะเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้เร็วที่สุด คุณจะเจอใครหน้าไหนก็ตามที่จะมาทําบางทีไม่ไม่ถูกตาเราไม่ถูกใจเราไม่ถูกหูเราใครมาทําอะไรให้เราเห็นให้เราได้ยินหรือให้เรารู้สึกไม่ชอบเลยไม่อะไรเลยเนี่ยรับรองเลยคราวนี้พอคุณเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะคุณจะรีบปรับตัวเองจะรีบปรับจิตของเรานะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าอ๋อ ก็คนนี้เขาบุคลิกแบบนี้นะหรือว่ายิ่งถ้าเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นพี่น้องนี่บางทีจะรู้ล้ ว, ว่าใครนี่ใส ย, ยังไงอย่างเช่นเพื่อนบางคนโอ้โหคบกันมาตั้งหลายปีแล้วคนนี้นิสัยพูดมากเราก็รู้อยู่แล้วคนนี้พูดมากถ้าคุณเข้าใจใช่ไหมมาเออเขาคนนี้เขาพูดมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเมื่อวานก็พูดมากวันนี้ก็พูดมาก พรุ่งนี้ก็คงจะพูดมากอีกต่อไปถ้าเราเข้าใจดีเราเข้าใจชัดเจนรับรองเลยคุณไปเจอเขาแล้วเขาพูดมากเนี่ยคุณไม่ไปโกรธหรอกคุณไม่ไม่ไปถือสาหรอกแต่ว่าบางทีบางวันไม่เหมาะกับการล่าเทสะก็อาจจะเตือนเขาบ้างอะ่ะวันนี้ระวังนะอย่าพูดมากนะวันเนี้ยพูดมากเดี๋ยวซวยนะวันนี้บอกให้รู้ไว้ะก่อนนะอะคุณอาจจะเตือนเขาแต่คุณไม่โกรธหรอกเพราะคุณรู้แล้วว่าเออคนนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือ การทำความเข้าใจราะถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นได้นะคนนั้นเนี่ยจะไม่ทุกข์เพราะใครทั้งสิ้นถึงบอกแล้วแม้แต่บางทีไปเจอโจรมันจี้มันป้นเรามั่งนะโดนลักเอาของไปบ้างหรือบางทีก็เนี่ยโดนวิ่งลาวเอากระเป๋าไปบ้าง แต่ถ้าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วนะเข้าใจสัจจะเข้าใจความเป็นจริงก็อ้าก็เราก็ต้องมีวิบากกรรมอะไรนะถึงได้ดวงซวยแล้วก็ต้องมาเจอไอ้โจรผู้ร้ายมาฉกชิงวิ่งราวไปอย่างนี้แล้วคนนี้ยอมรับความเป็นจริงนะแล้วเข้าใจความเป็นจริงว่าเอา้าวิบากเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉั้นไม่ทุกข์อะไรหรอกก็ของหายก็หายทําไงได้อะ ก็มันเอาไปแล้วอ่ะไปแจ้งความได้ก็ไปแจ้งความนะถ้าตำรวจก็ตามหาเอากลับคืนมาได้ก็ดีไปแต่ถ้าก็ตามหากลับมาไม่ได้ก็เอา้าก็แล้วไปเนี่ยประเด็นนี้สําคัญมากเพราะอาตามาพูดบ่อยว่าคนเราเนี่ยที่ทุกทุกอยู่ทุกวันเนี้ส่วนใหญ่ทุกข้อความคิดของเรา